167. สัทธะก ร, รมปฏิเขปะกถาว่าด้วยการทรงห้ามธรรมสันถกรรมเรื่องฤทธิ์สีดวงทวาร 279. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นั ก, กุงสาวัตถีตามพระอัฏยาใสแล้วสเสด็จจาริกไปทางกรุงราชครื สเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงราชครืทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรวุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรุงราชครืนั้นสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นฤทธิีดวงทวาร น, นายแพทย์อากาสะโคตรกำลังทำการผ่าตัดด้วยสัตราครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปตามเสนาสน ะ, สะเสด็จเข้าไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นนายแพทย์อากาสะโคดเห็นพระผู้มีพระภาคกําลังสเสด็จมาแต่ไกลจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระโคดมผู้เจริญโปรดเสด็จมาทอดพระเนตรวัดจมรักของภิกษุรูปนี้เหมือนปากเหีย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าโมคะบุรุษนี้เยาะเย้ยเราจึงเสด็จกลับจากที่นั้นแล้วรับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในวิหารหลังโ น, น้นมีภิกษุเป็นไข้หรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัส ถ, ถามว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นอาพาธเป็นโรคอะไรภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าภิกษุนั้นเป็นฤทธิ์สีดวงทวานนายแพทย์อากาสักโคตกําลังทำการผ่าตัดด้วยสัตตราพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าการกระทาของโมคบุรุษนั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหนโมคบุรุษนั้นจึงให้ทำการผ่าตัดด้วยสัตราในที่แคบเล่า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 ไม่พึงให้การผ่าตัดด้วยสัตราในที่แคบรูปใดให้ผ่าตัดต้องอาบัตทุลัดใจ